ได้ยินว่าการเคารพนับถือครูบาอาจารย์อย่างไรก็จะเจอครูบาอาจารย์แบบนั้นๆต่อไปไม่ทราบว่าเท็จจริงอย่างไรผมเห็นว่าคนเรามีครูบาอาจารย์ทั้งพระและครวดที่นับถือได้หลายคนตั้งแต่เด็กจนโตและแต่ละท่านก็มีความแตกต่างกันหลากหลายและจะเอาอะไรเป็นตัวตัดสินครับว่าต้องไปเจอครูบาอาจารย์แบบใดอีกตอบทั้งพุทธเรา ถือว่ากรรมที่ทําให้พบผู้ชี้นําทางประเสริฐคือการเคยเลื่อมใสผู้ประเสริฐอยู่ในโอวาทของผู้ประเสริฐมาก่อนและคําว่าอยู่ในโอวาทนั้นก็หมายถึงเชื่อฟังคําสั่งสอนที่พิจารณาแล้วว่าเป็นประโยชน์ไม่ประกอบด้วยโทษน้อมใจรับไปประพฤติปฏิบัติไม่ใช่แค่ปากบอกว่าเชื่ออย่างเดียวถ้าพิจารณาตามที่พระพุทธเจ้าตรัส เราก็คงเน้นกันที่ความผูกใจนับถือสาสดาคือเร่งที่ว่าใจคุณเลื่อมใสศรัทธาสัสดาแห่งเหตุผลหรือว่าสัสดาแห่งความเชื่อสัสาดาแห่งเหตุผลไม่ได้มีแต่พระพุทธเจ้าขอให้แจกแจงรายละเอียดได้เถิดว่าทำดีแบบไหนได้ดีอย่างไรทำชั่วแบบไหนได้ชั่วอย่างไรนับว่าเป็นสัสดาแห่งเหตุผลหมดส่วนสศสดาแห่งความเชื่อ ก็ไม่ได้มีเพียงองค์เดียวและรูปแบบของการจูงใจให้เชื่อก็แตกต่างกันบางครั้งให้เชื่อในการปีนบันไดสวรรค์บางครั้งให้เชื่อในการพุ่งเหลาาลงเหวนรกถ้าพูดกันเฉพาะศาสนาใหญ่ที่เก่าแก่สืบทอดมาช้านานบางทีก็น่าสับสนเหมือนกันครับเพราะช่วงเวลาช้านานเป็นร้อยเป็นพันปีนั้นมักก่อให้เกิดกกเหล่ามีความแตกแยกทางความเชื่อ และความคิดเห็นออกไปได้มากการระบุว่าตนนับถือศาสดาใดหรือเป็นสมาชิกของศาสนาใดบางทียังกว้างเกินไปเพราะศาสดาของทุกศาสนาใหญ่ต่างก็ทิ้งโลกนี้ไว้เบื้องหลังแล้วที่เรานับถืออยู่จริงๆจะเป็นตัวแทนของท่านอันได้แก่คำสอนในคำพีส่วนผู้ชี้ขาดคำสอนก็มีอยู่หลากหลายเหลือเกิน ไม่อาจแต่งตั้งใครเป็นประมุขของศาสนาองค์ใหม่แทนพระศาสดาได้เลยเพราะอย่างไรก็จะเห็นว่าเป็นเพียงหนึ่งในผู้สืบทอดไม่ใช่ผู้เริ่มต้นก่อตั้งศาสนาจึงย่อมไม่มีใครยอมลงให้ใครง่ายๆการแบ่งกกแบ่งเหล่านี่แหละก่อให้เกิดอาจารย์หรือประธานกลุ่มซึ่งถ้าผู้นำกลุ่มพยายามรักษาคำสอนดั้งเดิมของพระศาสดาไว้ก็เท่ากับเปิดโอกาส ให้คนในกลุ่มได้ดีจเจริญรอยตามบาทพระศาสดาไม่หลงเขวออกนอกทางไปไหนแต่หากผู้นำกลุ่มไม่ได้สอนตามพระศาสดาก็เหมือนกับตั้งศาสนาหรือลัทธิใหม่ขึ้นมาไกลาๆสมาชิกกลุ่มย่อยไม่ได้ชื่อว่าจเจริญรอยตามบาทพระศาสดาทว่าหลงเขวไปทางอื่นโดยไม่รู้ตัวเช่น สำหรับพุทธเราสอนเรื่องการพ้นทุกข์ด้วยวิธีละเหตุแห่งทุกข์อันได้แก่ความอยากแต่หลายสำนักจะเน้นสอนเรื่องการมีสุขด้วยวิธีเพิ่มเหตุแห่งทุกข์คือเร่งความโลภความอยากได้ให้มากยิ่งขึ้นนี่แหละเรียกว่าหลงทิศหลงออกจากเป้าหมายเดิมและถ้าเจาะจงอย่างละเอียดอ่อนลึกซึ้งกว่านั้นก็ต้องดูด้วยว่าแต่ละคนน้อมใจเชื่อน้อมใจเคารพ และยึดถือใครคนใดคนหนึ่งเป็นแบบอย่างเพราะธรรมชาติของคนเราจะยึดถือผู้ที่มีชีวิตมีตัวตนให้จับต้องได้สักคนหนึ่งเอาไว้เป็นหลักใจให้นึกถึงง่ายๆหรือคลานเข้าไปกราบขอคําปรึกษาได้ตรงนี้เองครับที่จะเป็นคําตอบสําหรับคําถามคุณผูกใจนับถือใครมากที่สุดยอมรับใครมากที่สุดก็จะได้รับส่วนแห่งตัวตนหรือนิสัยของท่านมาด้วย หาใช่แค่ได้รับความรู้ความเข้าใจมาอย่างเดียวแม้สมัยพุทธกาลพระอริยบุคคลท่านก็มีความแตกต่างพระพุทธเจ้าเคยชีย้ให้เห็นว่าพวกที่ชอบทางฤทธ์ก็ยึดถือพระโมคคัลลานะเป็นครูพวกที่ชอบทางปัญญาก็ยึดถือพระสารีบุตรเป็นอาจารย์คือเคารพทั้งพระโมคคัลลานะและพระสารีบุตรในฐานะของพระอรหันต์ผู้บริสุทธิ์จากกิเลสเหมือนกันแต่จะยึดเอาใครเป็นครู ก็ขึ้นอยู่กับอัธยาศัยที่สอดคล้องด้วยตามที่เห็นด้วยตาเปล่าคือถ้ายึดมั่นในครูผู้อ่อนน้อมถ่อมตนเราสาธารณสิทธิก็จะพลอยอ่อนน้อมถ่อมตนตามถ้ายึดมั่นในครูผู้ใคร่บำเพ็ญประโยชน์มากเราสาสานุสิทธิก็จะพลอยใคร่บำเพ็ญประโยชน์มากถ้ายึดมั่นในครูผู้พูดจาผงผางเราสานารสิทธิก็จะพลอยพูดผงผางตาม ถ้ายึดมั่นในครูผู้ชอบยิ้มเย้ยและดูถูกถากถางเราสานุสิกก็จะปล่อยชอบยิ้มเย้ยและดูถูกถากถางตามเป็นต้นสรุปว่านิสัยหลักนิสัยเด่นของบุคคลที่คุณเคารพเลื่อมใสและยึดถือเป็นครูจะเหมือนเชื้อที่แพร่เข้ามาสู่คุณและทำให้คุณเกิดอัธยาศัยเดียวกันกับทั้งเกิดความยินดีในครูเช่นนั้นอีกเมื่อเกิดใหม่ครับดังตริน 17มกราคมพุทธศักราชสองพันข้างร้อยห้ า, ะาจะไสิบ ทำดีมือมนให้มั่นใจว่าสิ่งที่เธอมีเหตุมีผลให้ยิ้มและสู้อดทนไม่นานเรื่องรา้ายจะท